ต่อไปครับเป็นสายของคุณบอยครับคุณบอยมาพร้อมกับเรื่องราวความหลอนที่ยังต่อเนื่องของคุณชอครับหลายคนคงจํากันได้เรื่องของลูกน้องต่างด้าวข่าวที่แล้วคุณบอยมาเล่าเรื่องนี้เอาไวน้นี่ที่คุณชอเขาโทษนะฮะหูคอตายครับอันนี้เป็นลูกน้องต่างด้าวภาคสองครับน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่อง หลังจากที่คุณชอเสียชีวิตไปครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับมากันที่สายของคุณบอยเลยครับสวัสดีครับคุณบอยสวัสดีครับพีบ่แดนนครับวันนี้รบกวนดึกนิดหนึ่งนะคุณบอยนะฮะขอบคุณมากครับดึกดึกแบบว่าดึกเลยอ่ะเพราะปกติเวลานี้รายการจบไปแล้วด้วยนะแต่วันนี้เรามีต่อเวลาพิเศษ นี่ยฮะได้ครับ Ay, รยินดีเสมอครับคุณบอยครับแค่ชื่อเรื่องผมก็สนใจแล้วเพราะว่าข่าวที่แล้วที่คุณบอยมาเล่าเรื่องนี้เอาไว้เรื่องของลูกน้องต่างด้าวน่ากลัวมากครับเรื่องของคุณชออันนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่คุณชอเสียไปแล้วใ ช, ใช่ไหมฮะโอ้น่าสนใจครับหลายคนที่เคยฟังเรื่องนี้เอาไว้มาต้องมาฟังเรื่องนี้ต่อนะฮะเรื่องราวของชอรอบนี้เป็นยังไงครับคุณบอยเอ่อ มันมันเป็นเหตุการณ์เล็ก ๆ, ๆน้อยๆฮะแบบผสมผสานกันครับที่ที่ที่ผมที่ผมแบบมาเล่ากับทางหารเพราะว่ากลัวผมลื ม, มหลังจากที่สอตายไปประมาณสักอาทิตย์อาทิตย์ถึงสองอาทิตย์นะฮะก็คุ ณ, ค, ณคุณบอจกจ่ารลกวนนิดนึงตอนนี้เหมือนกับสัญ ญ, ญาณมันฟุดๆัดๆโอเคอ่าโอเคตอนนี้มาละอ่าเนี่ยเนี่มามันมันฟุดฟัดอีกแล้วเหมือนไม่ลมเข้ามาใช่ครับคือมันอย่างนี้ผม ผมอยู่ตรงตอนแรกครับผมอยู่ลานจอรดรถแล้วจริงๆผมขึ้นมาที่เสาวไฟฟ้าอีกรอบหนึ่งอ๋อโอเคอเดี๋ย ว, ยวผมหาที่มันไม่มีลมนะครับครับครับเพราะใช้สมอทอคลมมันจะไวต่อลมมาก อ, อ, อ๋อ๋ผมไม่ได้ใช้มสมอทอคพี่จริงปะจริงครับจริงโอ้ลมแรงมากอะเนี่ยนอ้นลมแรงครับอะต่อเลยฮะอ่ะฮะหลังจากที่ทอเขเสียชีวิตไปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะฮะก็บริษัทก็ยังดําเนินกิจการทํำกันต่อไปเรื่อยๆนะครับ มันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นนะฮะจนวันนึงเนี่ยอยู่ดีๆลูกน้องคนหนึ่งอ่ะซึ่งเป็นเพื่อนของชองนะครับเขาวิ่งมาที่ออฟฟิศซึ่งตอนนั้นพวกเราอะยังยังทํางานกันอยู่แต่เปิดว่าลูกน้องเนี่ยที่จะบตารางผีไว้เขาทํางานเนี่ยคือเขาจบงานของเขาไปแล้วก็ได้ได้เวลาพักผ่อนนอนหลับสบายอะไรเงี้ยทีนี้เขาวิ่งมาที่ออฟฟิศวิ่งมาตะลีตะเหลือกเลยแนละ้วแล้วเขาบอกว่าพี่พี่ผมโดนผีหลอก ผมก็บอกว่าตัวที่จะพโรธผีหลอกได้ยังไงเนี่ยอยู่กันออฟฟิศมันตั้งนานไม่เคยเจอเจอเดีแบบแว๊บๆอะไรกัน<ฮ>แต่ก็ไม่ไม่ได้หนักขนาดที่จะต้องวิ่งมาบอกพี่อย่างนี้นะเพื่อนผมมีคนนึงก็ถามว่าเออเจออะไร <fac et. S 2> ลูกน้องก็บอกว่าเจอชอพี่มผมคิดว่าง่าจะเป็นชออืมอ่ะฮะเขาบอกเอ้ยมันมีหรอกเขาก็เอาศพกับป้าไปแล้วเขาก็ทําวิธีของเขาไปหมดแล้วคจะมาอยู่ที่นี่แล้วก็มาให้เห็น เพ um ื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ย oh ouais ังไม่ได uh ้ถามรายละเอียดกันว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเข้ามาในลักษณะรูปแบบไหนเพราะว่าตอนนั้นเน่ยลูกน้องกำลังกลัวมากออืนะฮะก็เลยให้เขาอยู่ในออฟฟิศแล้วก็พาเขาออกไปทํางานด้วยเลยก็คือไปได้พักหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสักสองสาวันเขาวิ่งมาอีกครั้งหนึ่งทีเดียวิ่งมาตอนเนี้่นะที่ผมกับเพื่อนกำลังนอนหลับกันอยู่คหลับกันอยู่ในห้องพักที่ใกล้ใกล้ออฟฟิศนะฮะ แต่ตาลีตาเหลือกมากเลยแล้วก็ร้องไห้ฟู้งปายเลยพี่ผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วออืเพื่อนก็ตกใจเดี๋ยวเดีด๋ยวเดาก่อนไม่ไหวนี่คือไม่ไหวอะไรครับบอกว่าพี่เขาเนี้ยในชออะมันมานอนข้างผมเลยอยมันมานอนข้างผมเลยอ <Ừ> ผมก็บอกว่าเดี๋ยวเดี ừ ừ ๋เดี๋ยวพาไปดูหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรมันก็ไม่ค่อยกล้าที่ก็แบบ ยังไงสองสิตสองใจอะเดินไปก็ให้มันให้มันเดินมาข้างหลัง <S <S ผมกับเพื่อนน ก, ก็เดินนําหน้าไปก็เดินไปที่พักที่ตัวลูกน้องคนนี้ยเขานอนอยู่ก็ไปดูปรากฏมันก็ไม่มีอะไรอืมมันก็ไม่มีอะไรในที่ไม่มีอะไรเลยมันงงปู่พี่ผมกลัวผมไม่ไหวแล้วผมขอน้องตอนในออฟฟิศกับพวกพี่ๆดีกว่าออโอเคโอเคก็ได้ก็นอนไปนะครับรุ่งเช้ามาเนี่ยคือเข้าไปทํางานด้วยกันออืทีเนี้ย ปกติเวลาไปทํางานเนี่ยเขาจะเป็นคนขับรถแต่ตัวผมอะเขจะนั่งดูเอกสารกอ่เอกสารอะไรทีนี้เขาบอกว่าเขาขับไม่ไหวเขาขอมานั่งโอเคก็ okay, ไม่มีปัญหาอะไรผมก็ขับให้สักพักหนึ่งเนี่ยเขาพูดต่อพี่เอผมขอลาออกอนะ่ะบอกขอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นลาออกทําไมมีเหตุผลงทางบ้านหรืออะไรหรือเปล่าบอกไม่มีครับพี่คือทอมมาหาผมเกือบทุกคืนเลยโอ้อหนะครับ ผมก็เลยจอดรถเลยออืแล้วก็บอกว่าเล่ามันั้งแต่ต้นเนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับเขาบอกว่าอ่าหลังจากที่เพื่อนเขาตายไปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรออืก็นอนไปสักประมาณสี่ห้าวันอะไรอย่างเงี้ยแต่คืนแรกอ่ะที่เขาสัมผัสถึงชงก็ได้ก็คืออที่นอนเขาเนี่ยนะพี่มันเป็นฟูกนานาอืๆฟูกนานาที่ไม่ได้เป็นเตียงนะพี่เป็นฟูกนานาที่ตั้งอยู่กับพือท่องอะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีหมอนสองสมามใบมีผ้าห่มมีแล้วเขก็นอนตามปกติในขณะที่นอนเนี่ยเขารู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินอืม hmm. ที่พักเนี่ยเป็นเป็นที่พักที่สร้างมาจากการใช้ไม้มาตีนะครครับนะฮะตีเท่ากับว่าหมาักที่พักนี่มันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นไม้ทั้งหลังเลย hmm. เป็นพื้นไม้แต่พื้นไม้มันมันมันค่อนข้างจะหนานหน่อยครับ hmm. นะฮะแต่ยังได้ยินเสียง ลักษณะแบบคนเดินยังได้ยินเสียงอยู่ hmm. เขาก็นอนอยู่นอนแล้วก็เหมือนว่าได้ยินเสียงแบบคนเดินเข้ามาในห้องพอ hmm. เดินเข้ามาในห้องเสร็จก็เอามือเนี่ยลูดลูดมุ้งขึ้นมาพอ hmm. ลูดมุงม้งขึ้นมาเสร็จก็ทิ้งตัวนอนข้างๆเขาด้วยพอามงี่ไม่ได้สงสัย hmm. เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยแม่ตอนที่ชอเขายังอยู่บางทีชอไม่อยู่แต่ตัวเพื่อนเนี่ยลูกน้องคนนี้ครับอยู่ เพื่อนผมหรือไม่ก็ผมเนี่ยก็จะแอบไปนอนด้วยแบบอืน hmm. เหมือนขี้เกียจเข้าไปในออฟฟิศเพามันลึกเ hmm. จอดตรงนี้แหละจะ น, นอนกันมันอะไรอย่างเงี้ยยิ้งก็อ๋อสงสัยเป็นเเพียมั้งที่มันนอนอไม่มีปัญหาอะไร hmm. <c oughs> แต่ปรากฏว่าคนนั้นนอนอยู่ที่นิพนัทธนะครับ hmm. ลูกน้องเนี่ยลูกน้องผมเนี่ยเขานอนหันตะแคงไปด้านฝ่ายนะฮะฉะนั้นเนี่ยไอไอตรงพื้นที่ว่างๆเนี่ยมันอยู่ด้านขวาเขาอืม hmm. เขาบอกว่า ยิ่งนอนเนี่ยเหมือนเหมือนว่าใครก็ตามที่นอน ใ, นใกล้เขาอะจะยิ่งขยับเข้ามา ใ, ใกล้ตัวหลักเขาออืยิ่งขยับเข้ามาเรื่อยเรื่ อ, อแล้วก็ใกล้สุดคือต้นคอเขาและหายใจเบาๆออกมาเขาบอกว่าเป็นมันเหมือนน้าแข็งอะ่ะเหมือนพ่นน้ําแข็งแห้งใส่ค<น>อเขาเยน็ยนเยือยเยื่อขนลุกออืเขาก็เอ๊ะไครปะก็เลยหันไปมองคือ ข, ขยับตัวแล้หันไปปรากฏมันก็ไม่มีอะไรเอ๊ะดูวความสงสัย เมื่อกี้ได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาก็เลยเอึ้งมือเราไปเปิดไฟผลลัพา์ก็ไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรแต่มันผิดสังเกตตรงที่มันทําให้ตกใจก็คือพอหันกลับไปมองอีกทีเนี่ยที่นอนอ่ะปกติมันคือมันจะเรียบๆถูกไหมพี่แต่มันมีลักษณะบุบลงไปอืมพอไฟเปิดมาลาักษณะบุบ ม, มันค่อยๆคืนสภาพอ่อค่อยๆกลับมาสภาพเรียบเหมือนเดิมใช่ครับค่อยๆกลับสภาพเรียบเลยทั้งนี้ก็เริ่มคนนลุกแล้วก็เริ่มวิ่งออกมาแล้วก็ ท<ะ>ี่พวกพวกผมอ่ะที่ออฟฟิศ<ะ>เขาบอกขอนอนเ็มืดไม่ไม่อะไรแล้วอืมส่วนนี้คือที่สองที่เขาบอกเขาเจินหนักสุดก็คือเขานอนอยู่เหมือนเดิมเลยพี่คือเข้ามาแล้วก็ไปบินเย็นอย่างเงี้ยอืมในขณะที่เย็นเย็อ่ะเขาก็หันค่อยค่อยหันไปมองคือเขาอยากรู้เขาก็คืออะไรปรากฏว่าเขาเห็นชัดเลยพี่<อ>คือเป็นชอเนี่ยแหละครับเป็นชอนี่ยะตาหลุดเหลื อ, อแล้วมองหน้าเขาในความมืดนะฮะจาคั้งวันนั้นเพื่อนบอกว่า ในรายละเอยดที่เขาเห็นอนะ่ะคือมันมีเชือกอยู่ที่คอโอ้ยเหร อ, อ, อ, อ, อจ่ายมันมีเชือกอยู่ที่คอแล้วชอเนี่ยพูดกับเพื่อนเขาบอกว่ามึงเอาเชือกออกขอกูให้หน่อยอข้างนั้นพี่ก็วิ่งเลยครับก็วิ่งตาลีตะเหลืองมาหาแล้วก็บอกว่าเขาขอลาลออกกขาไม่เขาแล้วไม่ไหวก็ไม่ไหวจริงอ๋อ มันเป็นภาพที่ชอหันมามองเขาแล้วก็พูดกับเพื่อพูดกับลูกน้องว่าเอาเชือกที่คอกูออกให้หน่อยอื ม, อมแล้วก็หลังจากนั้นลูกน้องคนนี้เขาก็ลาออ ก, ออกลาออกไปเลยครับครับครับไม่หตุอีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะประมาณสักตอนนั้นประมาณาตีหนึ่งกว่ากว่า ร, รับลูกน้องมาใหม่อีกคนหนึ่งเหมือนกันอื ม, มาแทนเขาได้แหละเพราะว่าเขาลาออกไปนะครับ อ่าก็มอบหมายให้เขาเนี่ยขับรถคันนี้แล้วก็ไปตารางงานเหมนเดิมตามตารางงานเหมือ น, น, างงานเดินน ใ, ในขณะที่เขากําลังแต่งตัวถือเอกสารไปประกวดรถมันสตาร์ทขึ้นออืสตาร์ทขึ้นเองนั่นเลยพี่แล้วรถมันพุ่งออกไปเลยครับพอมันพุ่งไม่เส็จข้างๆออฟฟิศผมอะ่ะมันจะเป็นลักษณะมันเป็นคลองที่มันมีต้นหญ้า ส, งสูงๆรถมันพุ่งเข้าไปในคลองแล้วก็แล้วก็ห ล, ล่นเข้าไปในคลองนั่นเลยพุ่งไปที่ตรงยาตรงนั้น พวกผมก็ตกใจคับผมกับเพื่อนก็วิ่งเข้ามาถามว่าขับรถภาษาอะไรอะไรทำไมเป็นอย่างงี้ออืก็มาตกใจว่าเออเอาัยังไม่ได้เข้ารถนี่แล้วทําไมรถไปอยู่นั้นแล้วตัวเองมายืนอยู่ตรงนี้อืหลองพี่ไม่รู้ว่าพี่อยู่ดีรถมันสตาร์ทแล้วมันก็พุง่งออกไปแต่ก่อนมันพุง่งออกไปอ่ะผมเห็นคนคนหนึ่งนะอยู่ในรถมีคนคนหนึ่งอยู่ในรถผมจําได้เลยแล้วก็ถือสายสายหนึ่งมาแล้วว่าสายอะไรอ่ะมันเหมือนลักษณะเป็นสายฉีดปวกอะพี่ ผมก็เพื่อนก็นั่งนึกเลยครับน่าจะเป็นชออืมเพราะว่าตอนที่เขาตายเนี่ยเขาเอาสายสีบหัวมามันคอล้วมัดกับมือครับนั่นก็ตายอสุดท้ายคือต้องยกรถยกอะไรขึ้นมาแล้วก็เข้าวัดเข้าลาไปทาบุญยกใหญ่อเรื่องสุดท้ายเนี่ยเหตุการณ์สุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะจบเรื่องพวกนี้ครับ อ, อ่มีวันประมาณวันไหนไม่ผมจมาสองสามสี่วันนะ จะสาสวันลูกค้าเนี่ยคือเขาโทรมาหาทางเราอืมนะคะเขาติดต่อเราเราบอกว่าแล้วก็บอกกันเราว่าบอกว่าเอ้ยพี่ยังไม่ได้เรียกให้เราเข้าไปทําเลยนะครับยังไม่ได้ให้ให้ให้เราเข้าไปทําเพราะว่าตารางยังไม่มีของเดือนนี้เราเข้ามาได้ยังไงเราต้องแจ้งให้ต้องแจ้งให้พี่ทราบผมสิผมก็บอกว่าเอ้ยตารางพี่ไม่มีแล้วผมจะเข้าไปทําไมล่ะครับครับก็ไม่ได้ให้ไม่ได้ส่งคนใครเข้าไปเลยผมเป็นไปไม่ได้พรน้องอะที่ น้องเจี๊ยบทํา ง, งานน่ะเขาบอกว่าเขาเห็น hmm. พนัก ง, งานคนนึ่งเดินออกมาจากห้อง hmm. ออผมก็ตกใจเอ้ยพนัก ง, งานไหนปะก็คือไปไล่ตามไล่ไล่ถามกับพนัก ง, งานที่มีอยู่บอกว่าเอ้ยได้ไปทําที่นี่หรือเปล่า hmm. ต่างคนต่างก็บอกไม่ได้ทํา hmm. เพื่อนขาบอกว่ามันหน้าแตลกนะเพราะว่าในตารางก็ไม่ได้มีคิวกับเขาน ะ, าะ hmm. เราก็เลยยกขยองกันไปนะะไปที่นั่งไปถามกับลูกค้าลูกค้าบอกว่าเนี่ยนี้ ห้องนี้เลยอพอชี้ไปห้องนั้นเสร็จพี่ตกใจเลยอนั่นแหละครับมันเป็นห้องที่ชอครับเปผูก้ออายโอ้โหเอออ่ะเหรอห้องนี้เขาทํางานก็บอกว่าเขาเห็นหน้านชีปวดออกจากห้องนั้นครับแล้วก็เดินแบบเลยลอยเดินออกมาอะไรเงี้ยเดินแบบเหมือนคนไม่มีสติเดินครับออกมาท่านั้นเองผมก็เลยรู้สึกว่าอ๋อถ้างั้นมันเป็นไปได้แล้วแหละว่าพยานของชอไม่ได้เป็นไหน ออืก็เลยจัดแจงติดต่อยาคเขาวิธีเพื่อให้ยานเพราะว่าคือเหมือนมันทําวิธีมาเชิญวิญญาณออืเชิญวิญญาณให้เขาออกจากตรงจุดเนี้ยแล้วก็ไปทุกที่เลยพี่แม้ว่าจะเป็นที่ที่เขาไปปลูกอตานะครับแล้วก็ที่ออฟฟิศผมหรือที่อะไรก็ตามที่เขาเคยแบบหล้องแวกเกี่ยวอ่ะครับก็เหมันจะเรียกวิญญาณให้เขากลับมาในจุดจุดเดียวแล้วแล้วก็เหมือนกับเรียกวิญญาณให้เขากลับบ้านเกิดของเขา เรื่องก็มีแค่นี้ครับหลังจากนั้นคือเหตุาการณ์กลับถสู่ภาวะปกติปกติใช่ไหมหลังจากที่ทำแล้วใช่ใครับใช่ใ ช, ใช่ไหมเออมีหลายท่านถามว่าชอคือใครอะไรคือชอคือต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังถ้าจะฟังเรื่องนี้ให้ได้อัธรศเหมือนกับคนที่ฟังแล้วผู้ฟังไปย้อนหาฟังย้อนหลังนะครับเรื่องลูกน้องต่างเด้าที่เล่าโดยคุณบอยเอาไว้ แล้วคุณผู้ฟังจะถึงบางอ้อเลย ว, ว่าชอคือใครวันนั้นคุณบอยเล่าเรื่องนี้ได้แบบโอ้ยน่ากลัวมากน่ากลัวจากฉากที่ไปผูกคอตายผล ท, ท้ายคือชอเสียชีวิตนะฮะอ๋อนี่คือเหตุการณ์ต่อนเนื่องหลังจากที่เขาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วชอคือนี่น้องคนงานของคุณบอยเขานะครับที่เขามักมีอาการแปลกๆคุณผู้ฟังว่าไปหาฟังถ้าใครยังไม่เคยฟังต้อยฟังเรื่องนี้ก่อน นะครับแล้วก็จะมาเข้าใจเรื่องที่คุณคุณบอยเล่าอ๋อเรื่องของชอเป็นอย่างนี้นี่เองเหมือนกับที่ผมเข้าใจนึกภาพออกว่เฮ้ยโอโเ้เฮ้ยหลจากที่เขาเสียไปแล้วเหมือนเขายังยังยังมาให้เห็นยังวนเวียนอยู่ใช่ยังวนเวียนอยู่อเออแต่ทุกวันนี้ก็คือเป็นเป็นปกติหมดทุกอย่างแหละก็คือปกติหมดทุกอย่างครับไม่มีอะไรนอกจากไปเจอนอกรอบเองอ๋อออนะครับแต่ที่ไม่ปกติเลยมีคนถามมาเยอะมากครับคุณบอยครับ วิวแชร์เป็นไงบ้างครับวิวแชร์ที่อยู่ตรงตรงบันไดหนีไฟที่คอนโดที่คุณบอยพักอยู่คุณผู้ฟังฮะหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบคุณบอยพักอยู่คอนโดตรงบันไดหนีไฟมีวิลแชร์เก่าๆอันนึงถูกไปจอดทิ้งไว้ขั้นประตูบันไดหนีไฟอยู่เพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมเป็นไงบ้างตอนนี้อตอนนี้วิวแชร์ก็ยังอยู่ครับ ยังอยู่แต่ทีเนี้ยเขาเลื่อนเขาเลื่อนที่เก็บจากที่มันใกล้ประตูอ่ประตูเปิดปิดนะครัเนี้ยเขาไปจีนอยู่ตรงประมาณมันเหมือนเป็นระดับครับะดับเปิดปิดนั่นเองตรงรับไนวะตอนเนี้ยเป็นดีไฟเขาตอนเนี้ยรับปิดตายเอาปิดตายเลยหรอปิดตายเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่ที่ที่คนอะไปสูบบุหรี่แถวๆคือประได็นเกี่ยไฟเนี้ยมันจะมีคนเข้าไปสูบบุหรี่ด้วยนะฮแล้วมันมีเหตุการณ์กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งคือผมจะเล่าอย่างนี้อ่า ตรงประเทนีไฟเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีเหมือนเป็นเหมือนเป็นอะไรนะตู้กดรหัส security ิในการเข้ามาคนที่เข้ามาได้จะต้องมีบัตรเข้ามาที่ค่อนโดยนี้นะฮะทีนี้ยข้างล่างมันไม่มีปรากฏว่ามันมีขอโมยขึ้นมาแล้วบังเอิญยีซิเคอร์ลิตี้ของเราเนี่ยคือเรา่อเข้าไปตรงตรงนั้นพอดีแล้วเกิดการต่อสู้กันจนรปภถูกแทงตายอ๋ใช่ครับรปภถูกแทงตายในประเทศหนีไฟนานเรื่องเนี้ยอ้าม ไม่นานครับน่าจะประมาณเดือนกว่าแต่เรื่องมันหายไปแล้วออืแรกๆแหละคือเฮียนมากเขาบอกว่ามีรปภวิ่งอยู่อยู่ตรงปร้าทยที่ไฟเนี่ยประมาณทีสองทีสามไม่รู้วิ่งไปไหนวิ่งอยู่นั่นอ่ะออืไล้อยืนสิงลรปาวิ่งนะฮ ะ, ะจนล่าสุดเนี่ยคือมีผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับคือเขาสุโขทัยแหละก็น่าจะทํา ง, งานดึกอ่ะแล้วเขาก็ไปสู้ตรงมาดันกีไฟนะฮ ะ, ะ, ฮะปรากฏ ว, ว่า เขาไปสูบตรงมันใดไฟที่มันเป็นหน้าตาออืแล้วเขาได้ยินเสียงอ่าไม่รู้ยังไงคือรองเท้ามันจะมีตัวเหล็กออืเวลาเดินจะมีเสียงดังกระดับกระั บ, บอย่างเงี้ยสิอ่ะฮะเขาบอกเขาได้ยินเสียงไอ้กรดับกักระบอย่างเงี้ยมันเป็นรองเท้าอเสียงนั่นเสียงเกิดตานะเบาๆอยู่ข้างล่างเขาก็เลยลิฟหน้าไปดูปรากฏว่าเขาเห็นรปภคนเนี้ยี่โดนแทงอ่ะ เขายืนอยู่ตรงบันไดแล้วก็ยืนถ่านหลังให้อออืผู้หญิงนี่เอ๊ะเขาไปยืนอะไรตรงนั้นเออเพราะขดว่าผู้หญิงคนเนี้ยหลังจากที่ถามเขานล้วพี่คือผู้หญิงเนี่ยเขาเห็นรปภเอามืออะจับมีดที่มันถูกแทงอยู่ตรงท้องอ่ะดึงออกมาแล้วก็แทงมาใหม่ดึงออกมาแล้วแทงมาใหม่ๆอยู่ตรงนั้นนะพี่ประมาณสองสมครั้งหลังจากนั้นเขาก็เขาก็ลงจากบันไดลงไปตายแล้วผู้หญิงก็ลองกีด จนตกใจสุดท้ายคือแฟนเขาอะเขาได้ยินเสียงกรี๊ดก็เลยพาผู้หญิงไปโรงพยาบาลครับครับเรื่องนี้ก็ถึงนิติวิสัยเขาเลยบอกไม่ไหวแล้วไม่แล้วบันไดจะต้องปิดตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวนิมนต์พาไปแล้วไปทำเรื่องทําราวกันิีกอ๋อจริงจริงแล้วบันไดหนีไฟมันปิดตายไม่ได้นะใช่ครับ<อ>มันปิดตายไม่ได้เพราะว่าเคยดูปฏิเอดเดียวกันไมหรืออะไรก็ตามมันตามกฎหมายด้วยเลยครับบันไดหนีไฟต้องต้องต้องเปิดได้ตลอด ถ, ถูกถูกต้องเลยพี่นะฮะต้องให้เขานิมนต์พระหรือว่าทําอะไรเร็วๆเลยก็น่าจะเร็วๆนี้แหล ะ, ะครับเพราะว่าเห็นเขาติดประกาศไปเรื่อยแล้วนี่คอนโดของคุณบอยนี่เอาจริงๆนะน่กกากลัวมากอะเนี่ยโอ๊ยเอาเอาเอาไหนเมื่อเราซื้อแล้วเราอยู่แล้วนะมันก็ต้องอยู่<ช>อ่ะครัโอ้มันมันไม่ใช่แบบจะขายทิ้งหรือไปเปลี่ยนที่อยู่กันได้ง่ายเรื่องพวกนี้ยเข้าใจเนาะใช่ใช่โอ้มันไม่ใช่บาทสองบาทไงไม่ถูกกันะ นะยะไรไงก็เอานะก็อย่าไปเฉียดอย่าไปผ่านก็แล้วกันนะไม่ผ่านแล้วครับแต่มันก็ไม่ผ่านไปได้พี่พลิปมันอยู่ตรงติดกับไอ้นี่ไงพั่แดนอีไฟเออนั่นแหละไม่ต้องเปิดประตูเข้าไปดูวดีที่ดีสุดแหละเดี๋ยวผมวิ่งผ่านเลยโอเคได้ขอบคุณบอยขอบคุณแมากครับเช่นเดียวกันนะขอบคุณคุณบอยนะครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ